ดันดาคำเหล่านั้นคำว่าเอามาให้อาวากะริได้แก่ได้ให้แล้วคำว่าเป็นข่าไทยนิกกยังได้แก่ให้ค่าไทยพระเจ้าสัญชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละร้อยและทองคำพันแท่งแก่พรามชูชกเป็นข่าไทยพระราชกุมารกุมารีและพระราชทานปร า, าสาทเจ็ดชั้นแก่ชูชก ด้วยประการชนิดจำเดิมแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์ขึ้นสู่ปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่บริโภคโพชนะมีรถอันดีแล้วนอนบนที่นอนใหญ่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเจ้าสัรชัยศิวิราชได้พระราชทานทาตทาสีช้างโค และโคอุสภะแม่มาอัสดรรถและเครื่องใช้สอยทุกอย่างอย่างละร้อยกับทองคำหนึ่งพันแท่งแก่พรามผู้สแสวงหาทรัพย์ผู้ขอเกินประมาณยาบช้าเป็นฆ่าไทยพระกุมารทั้งสองลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยมหาราชให้พระชาลีและพระกันหาชินาสนานพระเสียนแล้วให้เสวยโพชนาหาร ทรงประดับราชกุมารกุมารีทั้งสองทรงจุมพิตพระเศียนกษัตริ์ทั้งสองคือพระเจ้าสัญชัยให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาพระนางผุสดีให้พระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ากษัตริ์ทั้งสองคือพระเจ้าสัญชัยและพระราชเทวี ทรงไถ่พระกุมารทั้งสองแล้วรับสั่งให้พนักงานทรงสนานและให้พระกุมารทั้งสองสเสวยเสร็จแล้วทรงประดับประดาด้วยอาพรทั้งหลายทรงอุ้มขึ้นให้ประทับบนพระเพลาเมื่อพระกุมารทั้งสองทรงสงนสานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาอันสะอาดประดับด้วยสัมภาพรแล้ว พระราชาผู้พระอัยกาทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลาแล้วตรัสถามเมื่อพระกุมารทั้งสองทรงประดับกุณทนอันมีเสียงดังสนเอหน้าเพลินใจทรงประดับพวงมาลัยและสัมภาลังการแล้วพระราชาคลั้นทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลาแล้วได้ตรัสถามว่าพ่อชาลี พระชนกชนนีทั้งสองของหลานรักไม่มีโรคดอกหรือเยียวยาอัตภาพด้วยการสแสวงหาพลาหารสะดวกหรือมูลพลาหารมีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพาระมลึกไม่มีมาเบียดเบียนหรือบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากุนทน กุนเดเลได้แก่ให้ประดับกุนทนทั้งหลายคำว่ามีเสียงดังสนอะคุสิเตได้แก่กุนทนซึ่งมีเสียงดังสนอะคือส่งเสียงเป็นที่ยินดีแห่งใจคำว่าพวงมาลายมาเลได้แก่ให้กุมารทั้งสองประดับดอกไม้นั้นๆคำว่าทรงอุ้มขึ้นประทับบนพระเภลา อังเกกฤตวานะได้แก่ให้พระชาลีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลาพระชาลีราชกุมารได้ทรงฟังพระราชดำรัสถามดังนั้นจึงกราบทูลสนองว่าขอเดชะพระชนกชนนีของกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสองพระองค์นั้นไม่มีโรคอันหนึ่งทรงสแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงพระชนชีพได้สะดวก มูลพลาหารมีมากเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพาลมาลึกไม่มีมาเบียดเบียนพระชนกชนนีทั้งสองพระชนนีของกล้าวกระหม่อมชั้นทรงขุดรากบัวเง้าบัวมันอ้อนทรงสอยผลพุทธาผลรกฟ้ามะตูมนำมาเลี้ยงพระชนกและกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสอง พระชนนีทรงนำเอาเงาไม้และผลไม้ใดๆมาจากป่าพระชนกและกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสองมารวมพร้อมกันสเสวยเงาไม้และผลไม้นั้นๆในเวลากลางคืนไม่ได้สเสวยในเวลากลางวันเลยพระชนนีของกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสองผู้เป็นสุขุมารชาติต้องเที่ยวสแสวงหาผลไม้ มีพระชวีวันผอมเหลืองเพราะลมและแดดเหมือนดอกปทุมอันถูกขยำด้วยมือฉะนั้นเมื่อพระชนนีเสด็จเที่ยวไปในป่าใหญ่ซึ่งเป็นป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมารึกเป็นที่อาศัยแห่งแรดและเสือเหลืองพระเกสาของพระองค์อันมีสีดังปีกแมลงผู้ถูกกิ่งไม้เป็นต้นเกี่ยวให้กระจุยกระจาย พระชนนีทรงขโมดมุ่นพระเมาลีทรงไว้ซึ่งเหงื่อใครที่พระกัดฉัประเทศทรงเพศเป็นตาปสศินีอันประเสริฐทรงถือไม้ขอทรงเครื่องบูชาไฟและมุ่นพระเมาลีทรงพระภูษาหนังสัตว์บรรทมเหนือปัตถภีทรงบูชาไฟบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงขุดรากบัวเง้าบัว คนันตาลุกะลำพานิได้แก่ขุดรากบัวและเง่าบัวทั้งหลายพระชาลีราชกุมารทรงพรรณนาถึงชีวิตลำเค็นของพระชนกชนนีด้วยคำนี้คำว่าโ no นในคำว่าตันโนนี้เป็นเพียงนิบาทข้อว่าเหมือนดอกปทุมอันถูกขยำด้วยมือปทุมังหัตถะคตะมิวะ ได้แก่เหมือนดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือคำว่าพระเกษากระจุยกระจายปตะนูเกษาความว่ า, าเมื่อพระชนนีของหม่อมชั้นพระเกษาซึ่งดำมีสีเหมือนปีกมแมลงผู้ถูกกิ่งไม้เป็นต้นเกี่ยวเสื้อยุ่งเยิง คำว่าทรงไว้ซึ่งเหงื่อใครชัละมะทารยิความว่ามีพระกัจฉะประเทศทั้งสองข้างเปิอะเปื้อนเดสเด็จเที่ยวไปด้วยเครื่องแต่งองค์ปอ น, ปอนพระชาลีราชกุมารกราบทูลถึงความที่พระชนนีมีความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วเมื่อจะทูลทวงพระอัยกาอีกจึงตรัสคาถานี้ว่า บุตรทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ในโลกพระอัยกาของเราไม่ทรงเกิดพระศีหาในพระโอรสเสียเลยเป็นแน่บรรดาคาเหล่านั้นคาว่าเกิดขึ้นมาแล้วอุทปัฏชิงสุได้แก่ย่อมเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยเมื่อชี้โทษของพระองค์จึงตรัสว่าแน่ พระหลานน้อยจริงทีเดียวการที่ปู่ขับไล่พระบิดาของเจ้าผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคําของชาวสีพีทั้งหลายนั้นชื่อว่าปู่ได้กระทํากรรมอันชั่วช้าและชื่อว่าทํากรรมเครื่องทําลายความเจริญแก่พวกเราสิ่งใดๆของปู่ที่มีอยู่ในนครนี้ก็ดีทรัพย์และธั ญ, ญชาติที่มีอยู่ก็ดีปู่ขอยก ให้แก่พระบิดาของเจ้าทั้งสิ้นขอให้เวสันดรจงมาเป็นพระราชาปกครองในสีพีรัตเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแนพระหลานน้อยโปตะความว่าแนชาลีกุมารหลานน้อยนั่นเป็นกรรมที่พวกเราทำไว้ชั่วคำว่ากรรมเครื่องทำลายความเจริญผูณหัจังได้แก่ กรรมที่ทำลายความเจริญข้อว่าสิ่งใดๆของปู่ยังเมกินจิความว่าสิ่งอะไรๆของปู่มีอยู่ในพระนครนี้สิ่งนั้นทั้งหมดปู่ยกให้แก่พระบิดาของหลานข้อว่าจงมาเป็นพระราชาปกครองในสีพีรัตเถิดสิวิรัตเถภาษาสตัตตุความว่าขอพระเวสสันดร น, นั้น จงเป็นราชาปกครองในพระนครนี้พระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าขอเดชะพระชนกของกล้าวกระหม่อมชั้นคงจะไม่เสด็จมาเป็นพระราชาของชาวสีพีเพราะถ้อยคำของกล้าวกระหม่อมชั้นขอให้พระอัยกาเสด็จไปอภิเศกพระราชโอรสด้วยราชูปโภคด้วยพระองค์เองเถิด บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นพระราชาของชาวสีพีสิวิสุตโตโม О, ได้แก่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดของชาวสีพีคำว่าอภิเศกสินจะความว่าอภิเศกด้วยราชสมบัติเหมือนมหาเมฆโปรยหยดน้ำฝนฉะนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับฟังพระชาลีตรัสจึงมีพระราชดำรัส เรียกหาเสนาคุธอมาตมาสั่งให้ตีกลองใหญ่เป่าประกาศทั่วเมืองพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ดำรัสสั่งเสนาบดีว่ากองทัพคือพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าจงผูกสอดอาวุธจงเตรียมให้พร้อมสั์ชาวนิคม พรามและปุโรหิตทั้งหลายจงตามเราไปถัดจากนั้นพวกโยธีหกหมื่นนายผู้สง่างามพร้อมศัพท์ด้วยเครื่องอาวุธยุทธพันฑ์ประดับด้วยผ้าสีต่างๆกันจงตามมาเร็วพลันพวกโยธีผู้พร้อมศัพท์ด้วยเครื่องอาวุธยุทธพันฑ์ประดับด้วยผ้าสีต่างๆกันคือพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเขียวพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเหลือง พวกหนึ่งแต่งผ้าสีแดงพวกหนึ่งแต่งผ้าสีขาวจงตามาเร็วพลันภูเขาคันธเมิอันมีในป่าหิมพานส์สพรั่งไปด้วยคันธชาติดารดาษไปด้วยพฤกษานานาชนิดเป็นที่อาศัยอยู่แห่งมูสัตว์ใหญ่และมีต้นไม้เป็นทิพโอสถย่อมสว่างสวยัยและหอมไปทั่วทิศฉันใดเหลาโยธีทั้งหลายผู้พร้อมศัพ์ ด้วยเครื่องอาวุธจุธภัณฑ์จงตามเร็วพลันก็จงรุ่งเรืองและมีเกียรติฟุ้งขจรไปทั่วทิศฉันนั้นถัดจากนั้นจงจัดช้างที่สูงใหญ่หนึ่งื่เชือกมีสายรัดประโคนทองมีเครื่องประดับและเครื่องปกคลุมศีรษะอันขจิตด้วยทองมีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นขี่คอประจำเตรียมพร้อมสับ ประดับประดาอย่างสวยงามจงตามมาเร็วพลันถัดจากนั้นจงจัดม้าสินทบชาติอาชาในใยตัวมีฝีเท้าจัด14ึ่งพันตัวพร้อมด้วยทหารม้าประดับประดาด้วยอลังการถือแสและเกาทันขูกสอดเครื่องรบขึ้นประจำหลังจงตามมาเร็วพลันถัดจากนั้นจงจัดกระบวนรถรบ หนึ่งมืนสี่พันคันมีกงอันหุ้มด้วยเหล็กเรือนรถวิจิตรด้วยทองและจงยกธงขึ้นปักบนรถนั้นๆพวกนายขมังธนูผู้ยิงได้แม่นยำเป็นคนคล่องแคล่วในรถทั้งหลายจงเตรียมโล่เกราะและเกาทันไว้ให้เสร็จพลโยธีเหล่านี้จงตระเตรียมให้พร้อมรีบตามมาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงผูกสอด สัญ น, นาหายันตุได้แก่จงผูกสอดอาวุธทั้งหลายคําว่าหกหมื่นนายสัตถีสหัสสานิได้แก่อมาตหกมืนผู้เป็นสหชาติกับบุตรของเราคําว่าพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเขียวนีลวัฏฐานราเนเกความว่าพวกหนึ่งทรงผ้าสีเขียวคือเป็นผู้นุ่งห่มผ้าสีเขียวจงมา คำว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งหมูสัตว์ใหญ่ๆมหาภูตะคณาละโยได้แก่เป็นที่อยู่ของหมูยักษ์ทั้งหลายข้อว่าจงรุ่งเรืองและมีเกียรติฟุ้งขจรไปทั่วทิศทิสาพันตุปวันตุจะความว่าอมตถทั้งหลายจงให้รุ่งเรืองและฟุ้งตลบไปด้วยอาภรณ์และเครื่องรูปไล้ทั้งหลาย เหมือนป่าหิมพานมีประการดังกล่าวแล้วฉะนั้นคำว่าขี่คอประจำหัตถิกขันเทหิความว่าควานช้างเหล่านั้นจงขี่คอช้างรีบมาคำว่าประดับประดาทัศศิตาได้แก่มีเครื่องประดับปรากฏคำว่ามีกงอันหุ้มด้วยเหล็กอโยสุกตะเนมิโยได้แก่มีกงรถ ที่ใช้เหล็กหุ้มอย่างดีด้วยคำว่าเรือนรถวิจิตด้วยทองสุวรรณจิตระโปคเครพระเจ้าสัญชัยตรัสว่าจงเตรียมรถหนึ่งพันคันปานนี้ซึ่งมีเรือนรถขจิตด้วยทองคำว่าจงเตรียมวิภาเลนตุได้แก่จงยกขึ้นพระเจ้าสัญชัยจัดกองทัพอย่างนี้แล้ว ตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงตกแต่งมักคาเป็นที่มาให้มีพื้นเรียบกว้างแปดอุสภะตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกฏแล้วทําสิ่งนี้ด้วยด้วยเพื่อต้องการตกแต่งมักคาให้งดงามแล้วตรัสว่าเรศน์ดรโอรสของเราจักเสด็จมาโดยมักคาใดๆตามมักคานั้นๆ จงให้โปรโยข้าวตอกดอกไม้มาลยของหอมและเครื่องรูปไล์และจงให้ตั้งเครื่องบูชาอันมีค่ารับเสด็จมาในบ้านแต่และหมู่บ้านจงให้ตั้งหม้อสุราเมรัยรับไว้หมู่บ้านละร้อยละร้อยเรียงรายไปตามมะขาที่เวสันดรโอรสของเราจากเสด็จมาจงให้ตั้งมังสาหารและขนม เช่นขนมแดกงาขนมกุ่มมตดอันปรุงด้วยเนื้อปลาเรียงรายไปตามมัขาที่เวสันดอนโอรสของเราจากสเสด็จมาจงให้ตั้งเนยใสน้ำมันนมส้มนมสดขนมที่ทำด้วยข้าวฟ่างและสุราเป็นอันมากเรียงรายไปตามมัขาที่เวสันดอนโอรสของเราจากสเสด็จมาให้มีพนักงานพิเศษ ทั้งครัวหวานและครัวข่าวจัดตั้งไว้เลี้ยงประชาชนทั่วไปให้มีมหระพฟ้อนรำขับร้องทุกๆอย่างเพลงปลบมือกองยาวคนขับเสภาผู้บรรเทาความเศร้าโศกพวกมหโหรีจงเล่นดนตรีดีดพินพร้อมทั้งกลองน้อยกลองใหญ่เป่าสังตีกลองหน้าเดียวประโคมตะโพนบันดอะสัง จเข้กลองใหญ่กลองเล็กเรียงรายไปตามมาัคาที่เวสันดรโอรสของเราจาักเสด็จมาบรรดาคําเหล่านั้นด้วยคําว่าโปรยข้าวตอกดอกไม้ลาชาโอโลกิยาปุบผาพระเจ้าสันชัยมีรับสั่งว่าจงจัดโปรยดอกไม้กับข้าวตอกทั้งหลายซึ่งชื่อว่าดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้า โปรยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ในมักคาห้อยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ที่เพดานคำว่าเครื่องบูชาอันมีค่าอักขิยานิจะได้แก่จงตั้งบุพชาติและรัตนะอันมีค่าในทางที่ลูกของเราจะมาคำว่าในบ้านแต่ละหมู่บ้านคาเมคาเมได้แก่ ตั้งไว้ทุกๆประตูบ้านคำว่าจงให้ตั้งเรียงรายไปปฏิตาถันตุความว่าจงจัดแจงตั้งหม้อสุราเมรไรเป็นต้นเพื่อผู้กระหายจะได้ดื่มคำว่าอันปรุงด้วยเนื้อปลามัชชะสังยุตาได้แก่ประกอบด้วยปลาทั้งหลายคำว่าขนมที่ทำด้วยข้าวฟ่างกังคุปิถา ได้แก่สำเร็จด้วยแป้งข้าวฟ่างคำว่าคนขับเสพามุติกาได้แก่คนขับร้องเสียงใสคำว่าผู้บรรเทาความเศร้าโศกโสกจักชยิกาความว่าพวกเล่นกลหรือแม้คนอื่นๆใครก็ตามที่สามารถระ ง, งับความโศกที่เกิดขึ้นเสียได้ท่านเรียกว่าผู้บรรเทาความเศร้าโศก คำว่าสังได้แก่สังใหญ่เกิดแต่สมุดเป็นทักษิณาวัตคำว่าสังสังขาได้แก่สังสองชนิดคือสังรูปกำมือและสังรูปขวดเครื่องดนตรีสี่เหล่านี้คือจะเข้กลองใหญ่กลองเล็ก พระเจ้าสัญชัยทรงสั่งจัดการประดับมรกาด้วยประการชนีการนั้นฝ่ายชูชกบริโภคอาหารเกินประมาณไม่อาจให้อาหารที่บริโภคนั้นย่อยได้ก็ทํากาลกิริยาในที่นั้นเองครั้งนั้นพระเจ้าสัญชัยให้ทำชาปนกิจชูชกให้ตีกลองใหญ่เป่าประกาศในพระนครว่า คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของชูชกจงเอาสมบัติที่พระราชทานเหล่านี้ไปครั้นไม่พบคนที่เป็นญาติของชูชกจึงโปลดให้ขนทัพทั้งปวงคืนเข้าพระคังหลวงอีกตามเดิมครั้งนั้นพระเจ้าสรนชัยจัดประชุมกองทัพทั้งปวงประมาณสิบสองอัคโขพินีสิ้นเจ็ดวันพระบรมกษัตริย์พร้อมด้วยราชบริพารใหญ่ ยกกองทัพออกจากพระนครให้พระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ากองทัพของสีพีรัตเป็นกองทัพใหญ่อันจัดตั้งเป็นกระบวนไวเสร็จแล้วนั้นมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางได้ยาตราไปยังเขาวงกต ช้างกุญชรตัวประเสริฐมีอายุหกสิบปีมีสายรัดประคนทองผูกตกแต่งไว้บรรลือกล้องโกนจนาตกระหึมอยู่เหล่าม้าอาชาในย่อมแผดเสียงดังสนัน่นเสียงกงรถดังกึกก้องทุลีละอองฟุ้งตลบนภาอากาศกองทัพของสีพีรัฐอันจัดเป็นกระบวนญาตราไปเป็นกองทัพใหญ่ สามารถจะทำลายล้างราชดัศกรได้มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางได้ย่าตราไปยังเขาวงกฏพระเจ้าสัญชัยพร้อมด้วยราชบริพานเหล่านั้นสเสด็จเข้าป่าใหญ่ซึ่งมีต้นไม้มีกิ่งก้านมากมีน้ำมากดารดาษไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่างในป่าใหญ่นั้น ฝูงวีหกเป็นอันมากหลากหลากสีมีเสียงสนโอหวานไพเราะเกาะ อ, อยู่บนต้นไม้อันผลิดดอกตามฤดูการร้องประสานเสียงเสียงระเบงเป็นคู่คู่พระเจ้าสัญชัยพร้อมทั้งราชบริพารเหล่านั้นเสด็จไปสิ้นระยะทางไกลล่วงหลายวันหลายคืนจึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวสสันดรประทับอยู่ มรรดาคําเหล่านั้นคําว่าใหญ่มหตีได้แก่กองทัพนับประมาณส2บสองอคโคพิณีคําว่าจัดตั้งอุยยุตตาได้แก่ควบคุมกันคําว่าบรรลือก้องโกนจนาตโกนจังนทติความว่าในการนั้นพระม์ชาวกาลิงครัตเมื่อฝนตกในแคว้นของตนแล้ว ก็นำช้างปัจญจานาคตัวประเสรฐนั้นมาถวายคืนแด่พระเจ้าสัญชัยช้างนั้นดีใจว่าเราจากได้พบนายละหนอจึงได้บรรลือโกนจนาทพระดำรัดนี้ตรัสหมายถึงช้างนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสายรัดประโคนกัดฉายะความว่าพอควานช้างผูกสายรัดทองคำก็ดีใจบรรลือโกนจนาท คำว่าย่อมแผดเสียงหัสิตสันติได้แก่ได้ส่งเสียงดังคำว่าสามารถจะทำลายราชดัศกรได้หาริหาริณีได้แก่สามารถนำสิ่งที่พึงนำไปคำว่าญาตราไปปาวิงสุได้แก่เข้าไปแล้วคำว่ามีกิ่งก้านมากพะหุสาขังได้แก่ มีกิ่งไม้มากคำว่าสิ้นระยะทางไกลทีฆะมัททานังได้แก่ทางประมาณหกสิบโยศคำว่าจึงบรรลุถึงอุปาคันฉุงความว่าลุถึงประเทศที่ประเวสสันดรประทับอยู่